ก็ไม่แน่นะผู้ ก, การเนี่ยไปรานไปร้าอาหารอาจจะอดได้ก็ได้ตีไม่ดีเอาไว้ก่อนนะนะแหมมือนี้พิเศษนะนะเพราะฉะนั้นผลแห่งบุญเนี่ยนะผลแห่งอ น, นิสงส์อ น, นิสงส์แห่งอุโบสถเนี่ยมีอยู่จริงแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยทั่วๆไปใช้บุญได้ไม่ค่อยหมดเพราะอะไรเพราะว่าไปทําบาปแทรกเสียไหนระหว่างเหมือนกับเรามีอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานสิ่งนั้นตามอายุการใช้งานจริงๆ เพราะอะไรเพราะเราเอาไปใช้สปนปีไปหมดซะก่อนเหมือนรถเนี่ยนะควรที่จะมีอายุใช้งานสิบปีใช่ไหมเราก็ไปขับซะจนอะไรเสียหายหมดมันก็เลยใช้อายุได้ไม่ควรเท่าที่จะเป็นผลแห่งบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยมีผลจริงแต่ว่าบาปมาบันทอนเราเหลือเกินเนี่ยนะเพราะเราก็ไม่ได้ทําบุญโดยบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่ได้ทําบุญโดยบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงใช้ผลแห่งบุญได้ไม่เต็มที่บุญกับบาปมันก็คละเคล้ากันไปอย่างนี้แหละ ทีนี้บางคนเนี่ยนะมาเห็นผลแห่งบุญอย่างนี้กล่าวไว้ในคมภีร์ปฏิเสธทันทีเลยมันไม่จริงเพราะเห็นเขาทํากันเยอะๆทําไมไม่มีผลอย่างในคัมภีร์กล่าวก็คือลืมคิดไปว่าเขาบุคคล น, นั้นเนี่ยนะที่มาเจริญกุศลก็ไม่ใช่เป็นนักบุญมาตลอดการอะไรใช่ไหมนักบุญมาตลอดการเท่ากับเจ้าชายศรสะทักไม่ล่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นพอมาทําบุญไม่ไม่เท่าไหร่ก็ร้องเรียกหาหาผลแห่งบุญแล้วเนี่ยนะ ถ้าเราถามหาผลแห่งบุญเนะี่ยเราต้องระลึกถึงเสมอว่าบาปเราก็ทำํำนะบาปเราก็ทําเพราะฉะนั้นจะร้องหาเอาแต่ผลของบุญอย่างเดียวเลยหรือแล้วถ้าผลของบุญเรามีแล้วเอาไปทําอะไรเนี่ยนะเอาไปทําอะไรยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีบุญยิ่งกว่าจากกักรพรรดิโบราณอีกเชื่อไหมแม้แต่โยมนั่งรถเนี่ยรถกระบะธรรมดานี่ก็มีบุญกว่าจากกักรพรรดิโบราณแล้วล่ะเนี่ยนะมีบุญมากกว่าแล้ว อาหารเนี่ยจะทานที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับว่ากดปุ่มได้หมดเลยคุยเราก็มีบุญมากกว่าคนเมียพินหัยเพราะจะคุยกับใครที่ต่างประเทศตอนนี้ยังคุยได้เลยนะกดโทรศัพท์ไม่กี่ปุ่มเนี่นะคุยกันรู้เรื่องแล้ว น, นะก็มีนงะหูทิพตาทิพย์ใครร้องเพลงอยู่ประเทศไหนเตะฟุตบอลอยู่ประเทศโน้นเรายังดูที่นี่ได้เลยนะก็นับว่าบุญเก่าก็นับว่ามากแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าอาศัยบุญเหล่านี้นะไม่ค่อยใครเอาบุญมาทําบุญต่อบุญเด็กนะเรียกว่าไม่ค่อยเอาบุญมาต่อบุญอีกไม่เอาผลของบุญเก่ามาทําเป็นเหตุต้นเหตุแห่งบุญใหม่กลับในขณะเดียวกันก็มัวเมาเพลิดเพลินในผลบุญแต่เชื่อไห้ผลบุญคืออะไรรู้ไหมโดยมากก็มหาพูดอีกนั่นแหละก็เลยถูกมหาพูดมันหลอกไปหลอกไปหลอกมาก็เลยติดพันอยู่ในมหาพูดทั้นการสมาทานอุโบสถจริงๆก็คือการออกจาก มหาพูดนั่นแหละเริ่มออกจากมหาพูดแต่ออกไปออกมาเจอมหาพูดดีๆก็ติดใหม่มนี่ถ้าสมทานศีลถึงไตรสรนคมดังกล่าวไปบูชาพระพุทธเจ้าก็มีคุณมากแม้แต่บวชเข้ามาแล้วรักษาจตุปาริสุทธิศีลสี่คือความบริสุทธิ์สองศีลสีส่ประการปาติโมขสังวรอินซีสังวร ปัจญาสานิสิตศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลก็มีผลมากมียนิสง์มากแม้กระทั่งสมถะและวิปัสนาวันนี้จะละตันหาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าสักวันหนึ่งครับคิดม้างเนี่ยคุณจุศีได้แปา ร, รบบังหรือยังเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาไปทําการบ้านกันแล้วกันเดี๋ยววันนี้จะละตันหาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นต้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านไถ้าถ้าทำไดไ้คือบางคนนะถ้าทําเป็นพุทธบูชาอาจจะมีกําลังใจทำใช่ไหม ไอคิดทําคนเดียวโดโ ด, โดมึงทำไม่ค่อยได้ถ้าทําปรารบน้อมเป็นพุทธบูชาเนี่ยเผื่อมันเป็นการเป็นงานเป็นจริงเป็นจังซะบ้างเลยนะถ้าเราจริงจังในการเจริญกุศลสมถาวิปัสนาเป็นต้นเท่ากับจริงจังกับหลายๆเรือ่องได้ดีไปเยอะและ้วในนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าใครเล่าจักพันนาผลแห่งการบูชาของกุลบุตรเหล่านั้นได้ขนาดเอามหาพูดมาบูชายังมีผลมากใช่ไหม จะกล่าวไปยัยถึงเอามาหากุศลเป็นเครื่องบูชาถึงสาระบูชาพระพุทธเจ้าสมาทานศีลบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเจริญสมถะวิปัสนาเป็นต้นบูชาพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเราน่าจะคิดนะตั้งตั้งใจไปเลยนะสมาทานไว้เลยว่าชาตินี้เขา อ, อ่าน ต, ตัตัยปิฎกกี่รอบดีอย่างน้อยหนึ่งรอบเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหม พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีตั้งสี่อสงไขยแสนกับตรัสรู้เป็นตรัสรู้พระธรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็เราอ่านสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อบูชาพระองค์ทําไมจะทําไม่ได้ไอ้ที่ทําไม่ได้ส่วนใหญ่เพราะไม่ค่อยคิดจะทํานันก็เกิดมาเมื่อก็ไม่ค่อยคิดจะทําอีกนั่นแหละก็เลยไม่ได้ทำฉันทรถูกจิตนี่มันหลอกเอาแล้วนะที่ไปทําอย่างอื่นนะถ้าเราเก็บสถิต ท, ที่อ่านหนังสือพิมพ์นะสมัยพระไตรปิฎกจะหลายจบแล้วเหมือนกันนะถ้าอ่าน ถ้าอ่านถ้าใจไปดกเท่ากับอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะถ้าสมาทานไว้ทำได้เชื่อเถอะทำได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าอู้อ่านทั้งกลางวันกลางคืนจะได้รีบรีบจบ น, นั่นก็เกินไปอีกอ น, นั่นก็เลยทงอีกก็เอาให้มันรู้จักพอดีซะบ้างผมอายุปูนี่ละสังเกตเห็นมาหลายหลายท่านแล้วทั้งญาติทั้งคนอื่นนะครับที่ตอนที่มีอายุนะฮะ ตอนมีอายุมากๆแล้วนี่ฮะบั้นปลายชีวิตมักจะอยู่กับหนังสือพิมพ์ติดแจเลยนะหนังสือพิมพ์นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็อ่านไปด้วยหลับไปด้วยขึ้นมาก็อ่านต่อใหม่นะเสร็จแล้วก็อ่านเสร็จก็ก็เอาขึ้นเรื่องนะั้นเขามาวิจารณ์อยู่นั่นนะนะัเป็นเรื่องหนังสือพิมพ์จริงๆแล้วก็ตายไปโดยมากเป็นอย่างนั้นจริงๆหนังสือพิมพ์ขาดไม่ได้หนังสือพิมพ์เป็นเรื่องสาคัญมากเลยเราดูแล้วก็เออเราก็นึกถึงตัวเรานะ อ่านหนังสือพิมพ์น้อยๆหน่อยเอาแค่หัวข้อเอ็ดพาดหัวไม้นะเอาละพอละนี่ น, น่ะคุณลายสายหัวเลยไมย่เอาโดยประการทั้งปวงสาธุจะได้ไปอ่านพระไตรปิฎกกันนะก็อ่านแล้วก็เนี่ยหนังสือพิมพ์นะเนื้อหารวมๆนะเกี่ยวกับปาณาติบาตนี่นะใครไปฆ่าที่ไหนมาไปอะไรที่ไหนมาใครถูกฆ่าใครฆ่าใครฆ่าใครใครถูกฆ่ า, ใ ค, าใครถูกลอบฆ่า กวนๆเ น, นี่ยปานาติบาสสองอาทินนาทานคนนั้นโกงคนนี้จับได้โกงโกงที่ไหนโกงเมื่อไรโกงกี่ล้านอะไรก็ว่าไปข้อที่3ไปการเมที่ไหนใครถูกกาเมมาก็วนอยู่แถวเนี่ยมูสาวาตไอคนนั้นวันก่อนพูดอย่างหนึ่งวันหลังพูดอย่างหนึ่งตลบตะแรงตอแหลนไนะก็แล้วก็มีรายการโฆษณาน้ำเมาขวดนี้ราคาเท่านั้นอันนั้นเท่านี้เนี่ยนะก็ค้าน้ำเมาเนะ่ย ก็และอันนี้อาหารอร่อยส่งเสริมเนี่ยนะมือนั้นเป็นมือกินเลี้ยงที่นั่นที่นี่สรุปว่าชวนเราผิดศีลซะส่วนใหญ่เนี่ยนะว่างๆก็แจมมิจฉาทิถิมาบ้างเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วนะพวกอกุศลทั้งหลายประเภทปาณาติบาตเป็นต้นอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญที่สุดของมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นสร้างอุปนิสัยให้แก่มิจฉาทิถิถ้าเราเพลิดเพลินในวัตถุ ก, กามมากๆเราคิดหรือว่ากามมีโทษเราคิดไหม ถ้าสะสมอัธยาศัยอั น, นัน้นานๆทิ่ทไหนก็มิชฉาทิ่ทถ้าเราเกลียดขี้หน้าใครเรียกว่าสะสมไอ้ความเกลียดความชิงความชังจนถึงคิดฆ่าได้เราอยากเชื่อไหมว่าผลแห่งการฆ่ามีอยู่จริงเราก็ไม่อยากเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกอกุศลวิตก3ามประการกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก อกุศลวิตกเหล่านี้เป็นปัจจัยอย่างเยี่ยมของมิจฉาทิฏฐินะนี่เป็นอาหารอย่างดีของมิจฉาทิฐิแล้วก็อกุศลวิตกเหล่านี้ทําลายสัมมาทิฐิอย่างอย่างชนิดที่ว่าไม่มีเหลือเลยถ้าโกรธใครปั๊บเนี่ยอริยสัตว์มาเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ค่อยเลยนะถ้าลองไปเที่ยวสวนอ่าเรียนะไปเที่ยวตลาดขายผ้าที่เราชอบเลยนะโหนี่อริยสัต์เนี่ยเอาไปสวมทุกขสัตว์อีกแล้ว ผาพัพแผลเนี่ยนะาสาธุอิ่งนจริงสมัยนี้นะทีวีเนี่ยนะครับโอ้มีอิทธิพลมากเลยในยูบีซนะสารพัด ช, ช่องเลยดิสคัฟเวอรี่อะไรเนี่ยแม้แต่ผมเองผมก็ติดนะผมไม่กล้าที่จะติดตั้งที่บ้านผมได้จะมานั่งแอบดูที่บ้านลูกชายเลยดี <laughs> มันยังชั่วครั้งชั่วคราวบ้างใช่ไหม เนี่ยนะมันเป็นเรื่องอไอ้มันเป็นกรามสุดยอดเลยนะในสมัยเนี่ยเป็นมันเป็นสุดยอดของกรามจริงๆเราจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนชั้นระดับสูงไม่ใช่ระดับเอเอเป็นพระเจ้าแผ่นดินอะไรนี่นะแต่ท่านเชื่อไหยว่าเราเนี่ยนะมีห้องน้ำเนี่ยดีกว่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยโบราณอีกนะ ด้วยราคาของมันเนี่ยเราสามารถมีได้นะความสะดวกสบายในห้องน้ำนะํำมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งวิทยุโทรทัศน์มีได้หมดทุกอย่างนะเข้าไปนี่ยังห้องเรียกว่ากอคือเป็นสวรรค์เลยเนี่ยนะในนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นยุคที่กรามมันมันสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นยุคนี้ใครศึกษาธรรมะได้ก็ยอมนับถือจริงแต่ที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะถึงจะมีมากขนาดไหนก็อย่าลืมวันหมดบุญบ้างเนะ้อนี่ยนะ ก็มีบุญกับหมดบุญมันก็ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหม <Yeah. S 1> เพราะไอ้ตอนจ่ายก็มีความสุขไอ้ตอนหมดก็ใกล้ๆกล้ับจ่ายนี่ยนะจ่ายกับหมดก็ใกล้ๆกันแล้วก็ที่น่าคิดนะถึงจะเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอายุเรามีเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ในหลายๆเลือกเอ่อในหลายๆเรื่องในยุคนี้นะเราจะเลือกเอาอะไรเนี่ยนะหนึ่งถ้าเราเลือกเพลิดเพลินในกามคติที่ไปคืออะไรถ้าเราเลือกเจริญกุศลคติที่ไปคืออะไร แล้วคำนวณดูอีกว่าชีวิตของเราอายุเท่าไหร่ผลของกรรมมีไหมผลของบุญเป็นยังไงผลของบาปเป็นยังไงก็คิดให้มันรอบครอบอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามีสติเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าทำบาปแล้วทำแน่ใจว่าจะจะร้องให้รับผลแห่งกรรมนั้นถ้าทำใจได้ขนาดนั้นนะก็ของอามาก็จะไปกลับกุติแล้วจะไปเจริญตามทางของเรา <laughs> เราก็จะไปตามเส้นทางของเราอะนะของใครกับของใครละ สัตว์ทั้งหลายก็มาด้วยกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเสาพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอะไรไว้ก็คิดว่าจะหัวเราะหรือร้องให้รับก็ตามใจเนี่ยนะเพราะวะของใครก็ของใครจริงๆนะไม่ได้ว่ากันเล่นๆใช่ไหมมันจริงๆอ่ะนะก็ว่าแบบหยาบๆง่ายๆทานอาหารเผื่อกันได้ไหม พักผ่อนแทนกันได้ไหมปวดหัวเผื่อกันได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนี้ทําแทนกันไม่ได้แล้วบุญกับบาปแทนกันได้ที่ไหนอย่างมากก็อุทิศส่วนบุญให้ทําไม่อนุโมทนาอีกก็ไม่รู้จะทํำยังไงอี ก, ก น, นะก็เนี่ยลำบากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องบูชาพระองค์เนี่ยนะพระองค์สันเสริมการปฏบิบัติบูชามากกว่ามิตรบูชาแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ไม่ได้ตําหนิเรื่องอมิตรบูชานะ แต่หมายคขาว่าสรรเสริญปฏบิบัติบูชามากกว่าอมิตรสบูชานักๆเข้ามาอ่านเจอตรงนี้ก็เลยอมิตรสบูชาก่อนหม่ยทำไอ้ปฏิบัติก็กรพร่องกระแพ่งอันนี้ก็ลําบากมากเลยพระองค์สรรเสริญปฏิบัติบูบชานะเพราะว่าปฏิบัติเป็นกุศลใช่ไหมอมิตรเนี่ยกุศลที่ตั้งใจบูชาด้วยอมิตรก็เป็นกุศลแต่มุ่งไปที่อมิตรเป็นหลักแต่ถ้ามุ่งไปที่ตัวกุศลเป็นหลักในการทําบูชาอันนั่นแหละมี คุณมากมีผลมากเมียนิสงมากดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนอ น, อนุนผู้ใดแลไม่ว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมผู้นั้นชื่อว่าสการะคารบนับถือบูชายำเกรงนอบน้อมตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า การบูชาด้วยอมิตรด้วยวัตถุไม่ยังศาสนาของพระองค์ให้ดํารงอยู่ได้เลยถ้ายิ่งวัตถุกรรมมากๆเลยนะถ้าวัดมีแต่เพชรมีแต่พลอยมีแต่ทองมีแต่อะไรสารพัดเลยนะคิดหรือว่าพระพิสุทที่อยู่ที่นั่นเจริญสมถะเจริญดีมากเป็นไหมวิปัสสนาอนุนก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกอันนั่นก็เป็นอนัตตาเลยใช่ไหม ใช่เลยนะมัวแต่กังวลเออนี่ใครจะมาลักพระทองไปหรือเปล่าเนี่ยนะต้องระวังให้ดีเดี๋ยวเข้ามาขโมยพระทองนอนก็ไม่ค่อยหลับเป็นต้นเน่ยนะลำบากเลกเพราะฉะนั้นอามิสบูชาเนี่ยก็มีส่วนเสียหายว่าสิขาของพระองค์นี้จะไม่ดำรงอยู่นานนั้นผู้ใจที่ทำบุญไปก็เป็นบุญของผู้นั้นอย่างเช่นมีบุคคลหนึ่งเอาทองไปบูชาพระเจดีย์เนี่ยนะเอาก็เป็นบุญของผู้ให้แล้วใช่ห คนยุคหลังๆมาจะไปคิดยังไงกับทองเหล่านั้นเห็นไหอาพระราชาอีกประเทศหนึ่งยกกองทัพหันเข้ามาเพื่อจะปล้นเจดีย์น่แหละว่างง่ายๆนะกองทัพพมา่าขนบริวารมามาขนอะไรมาปล้นเจดีย์นะถามว่าได้อะไรไปล่ะคะนี่ถึงเอาไปทำเจดีย์ก็พัทธุสรายเจดีย์เอาไปทำเจดีย์นะมันก็น่าคิดเพราะนั้น วัตถุเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาถ้าจิตใจของเรามุ่งไปหาวัตถุโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะมันทุกข์มากเพราะวัตถุทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าเราน้อะไปหากุศลถึงกุศลไม่เที่ยงนึกแล้วก็ปลื้มใจถึงไม่เที่ยงถึงจะหมดไปก็ตามแต่นึกแล้วก็ปีติและสมนัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาจักยังศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่นาน ถ้าเราท่านทั้งหลายมีใจปรารถนาะศึกษาสิกขาสามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าระลึกถึงอธิศีลสิกขาวินัยปิดกขายดีนะคาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวพระวินัยนั้นจะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราน้อมไปในการอบรมสมถาวิปัสนาพระธรรมคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนจกเจริญรุ่งเรืองอันนี้หมายถึงวิปัสนาในตามพระพุทธเจ้านะแต่สมัยใหม่วิปัสนาแบบใหม่มันโกิ ด, ดเยอะเหลือเกินเลยนะ ก็เลยถ้าจเจริญวิปัสสนามากๆเข้าจะห่างพระไตรปิดกไปเรื่อยเนี่ยนะอันนี้ก็น่าหนักใจเหมือนกันว่าวิปัสนาของใครก็าไม่รู้ น, นะก็พิจารณาทบทวนเอานะว่าเรามีใครเป็นสาระสารณะจริงๆของเราคืออะไรเพราะว่าผู้การใช้คํานีนะกรรมของใครก็ของใครใช่ไหม <c oughs> คนที่เขาสอนเราเขาไม่ได้ไปตามรับผิดชอบเราชาติหน้ารอกเชื่อเธอของมาไม่เคยคิดเลยกลับบ้านจะต้องไปเที่ยวรับผิดชอบโยมทั้งหลายเนี่ยนะ จริงว่าตรงๆเลยนะคือไม่มีใครตามไปขอโทษเราโอ้อยิ่ชั้นสอนผิดแล้วขอโทษหน่อยนะไม่มีไม่มีรับรองเลยเนี่ยตัวใครตัวมันจริงอ <c oughs> ันพบหน้าชีวิตของเราเนี่ยนะแม้แต่ตอนพบนี้ที่เรามาเราก็มาคนเดียวไม่ใช่หรือพบหน้าที่เราไปเราก็จะไปคนเดียวไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นให้เราทบทวนให้ดี กรรมใดเป็นบุญกรรมใดเป็นบากปกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงสิกขาเป็นยังไงศีลเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะตรวจสอบให้ดีเถอะเพราะชีวิตของเราเราอย่าไปคิดอะไรง่ายๆรวมๆเมาๆโลโลเนี่ยนะก็จะได้ของโลไปใช้ก็จะลำบากอีกได้วิปัสสนาโลไปก็ลำบากกันละ <c oughs> ทีนี้มาดูต่อไปว่าการบูชาแม้บูชาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าและพระอริยะสาวกก็นํามาซึ่งประโยชน์และความสุขพระพุทธเจ้า น, นี้สรรเสริญให้บูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะพระองค์ชี้ให้พระปัจเจกให้พระภิกษุสาวกของพระองค์เนี่ยว่ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีไหมมีไหมคำนี้พระพุทธเจ้าชี้ให้พระสาวกของพระองค์บูชาพระปัจเจกได้ไหม ในอิสิคิลิสูตรอิสิคิลิสูตรยกย่องว่าเขาอิสิคิลิเนี่ยมีพระปัจเจกเป็นต้นเนี่ยมายังไงแล้วพระองค์ก็บอกชื่อของพระปัจเจกเหล่านั้นบอกให้เธอทั้งหลายนามสักการพระปัจเจกเหล่านั้นบอกให้นมสักการนะพระพุทธเจ้ายังแนะนําเลยดูนะอิสิคิลิสูตรในมัชชิมนิกาย น, นะชื่อว่าอิสิคิลิสูตรที่ว่าด้วยภูเขาอิสิคิลินี่ยนะ พระองค์ชี้ว่าที่นี่มีพระประเจกเคยมีพระปัเจกรูปใดพระองค์ใดชื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วแนะนําให้สาวกเนี่ยนอบน้อมพระปัเจกพระพุธเจ้า <c oughs> ส่วนบูชาพระสาวกทั่วๆไปเนี่ยนะใน เ, เช่นพาหิยะธารุจริยะดับขันตริยนิพานไปแล้วใช่ไหมพระองค์ก็ให้เอาพระพระาธาตุของท่านมาทําเป็นเจดี นะพระธาตุภาษาริบุตรพระธาตุของพระนางประชาปีโคตมีพระธาตุของพระอรหันต์เช่นพระทับพระมลบุตรเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ให้รวบรวมอภปธาตุเหล่านั้นมาทําเจดีเพราะท่านเหล่านั้นเป็นถูปารหะบุคคลถูปารหะก็คือผู้ควรแก่สถูปผู้ควรแก่การสร้างเจดีให้นะนั้นก็การกราบการไหว้การตามและลึกนึกถึงการนอบน้อมบูชาบุคคลเหล่านั้นก็ยังบุญอันมหาศาลให้เกิดขึ้น อันหนึ่สำหรับเครัสห์เพื่อทราบปูชนยบุคคลในข้อนี้อย่างนี้คือผู้เจริญที่สุดทั้งพี่ชายทั้งพี่สาวชื่อว่าปูชนยบุคคลของน้องถ้าน้องก็กราบไหว้พี่มารดาบิดาก็เป็นปูชนยบุคคลของบุตรสามีพ่อผัวแม่ผัวเป็นปูชนยบุคคลของกุลสตรีทั้งหลายด้วยว่าการบูชาปูชนยบุคคลแม่เหล่านั้นเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะนับว่าเป็นกุศลเพราะเป็นเหตุเจริญ อายุเป็นต้น น, นะใช่ไผู้ที่กราบไหว้บูชาพี่น้องเป็นคนที่เป็นพี่เป็นต้นเนี่ยนะก็คาถาที่พระให้พรบ่อยๆจะได้ยินใช่ไหมอภิวาทนาสีลิสนิจจางุทฏาปจายิโนจัตตารธรรมาวัธานติอายุวรนโนสุขังพลังเนี่ยนะก็เป็นเป็นกรรมยกย่องสรรเสริญว่าผู้ที่กราบไหว้เคารพ บ, บูชาผู้ที่เจริญด้วยผู้ที่เจริญด้วยคุณธรรมเช่นวัยวุฒคุณวุฒชาติวิวุฒเป็นต้นเนี่ยนะ การที่เคารพนอบน้อมสันเสริญบูชาบุคคลเหล่านั้นจะทำให้เจริญด้วยอายุวันนะความสุขและกำลังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังตรัสอีกว่าชนเหล่านั้นจักเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณนะเกื้อกูลพรามเป็นผู้นอบน้อมผู้ใหญ่ในสกุลจักยึดถืออากุศลละธรรมนี้ปฏิบัติก็จักเจริญด้วยอายุวันณนะ เพราะเหตุสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้เป็นต้นนั้นใครที่สมาทานอนอบน้อมต่อผู้มีคุณธรรมทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าการสมาทานประพฤติกุศลธรรมนั่นเป็นเหตุแห่งความสุขบัดนี้เพราะเหตุที่ข้าพาเจ้าตั้งมาติกาหัวข้อไว้ว่ากล่าวสมุทฐานทีเ่เป็นเหตุที่เกิดมงคลแล้วกําหนดมงคลนั้น จะชี้แจงความของมงคล น, นั้นฉะนั้นจึงขอชี้แจงดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคาถานี้ไว้สามมงคลคืออาเสวนาจะพาลานังอันนี้หนึ่งปันฑิตานันจะเสวนาอันนี้สองสปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคมามุตตมัง <c oughs> ในมงคลทั้งสามนั้นเพิ่งทราบว่าการไม่คบคนพาน ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ของโลกทั้งสองเหตุป้องกันภัยมีภัยในการเกิดเออเข้าไปเหตุป้องกันภัยมีภัยเกิดแต่การคบคนพานเป็นปัจจัยเป็นต้นก็หมายความว่าถ้าเราไม่คบคนพานซะอย่างเดียวเนี่ยนะสมมตินะเราไม่คบคนติดยาเสพติดซะอย่างเดียวเนี่ยนะปัญหาทุกเรื่องที่อยู่ในเวดวงยาเสพติดจะมีไหมสําหรับเรา ไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้แบบหยาบๆนะถ้าเราไม่ไปไปติดพันเป็นเกี่ยวข้องกับพวกเสพยาบ้าเป็นต้นเนี่ยนะไม่เกี่ยวข้องกับคนซื้อขายยาบ้าเป็นต้นภัทยทั้งหลายปัญหาทั้งหมดก็ไม่มีสําหรับเราในยะอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยนะแม้กระทั่งเราไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ล่วงอกุศลกรรมบดสิบประการอันนั้นก็เป็นเหตุความเจริญสําหรับเราเพราะเราก็ไม่ต้องไปรับทุกข์รับโทษความเสียหายในความเลวทั้งหลายที่บุคคลอื่นทำ นะถ้าแม้กระทั่งถ้าเราเกี่ยวข้องยินดีกับคนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะทำปาณาติบาตใช่ไหมและเลิกได้ไหมในพุทธาประธานเนี่ยนะที่พระองค์ปราบรถึงกรรมที่ไม่ดีของพระองค์เนี่ยนะว่าญาติของพระองค์หาปลาได้เยอะดีใจด้วยที่เขาได้ปลาเยอะกรรมมั น, นั้นทําให้ปวดเสียปวดเสียนมากทําให้พระองค์เนี่ยปวดศีรษะ เพราะนั้นค่ใครที่ปวดเสียนส่วนหนึ่งก็อาจจะนุโมทนาบาปกับที่คนอื่นก็ททำไปเนี่ยนะก็ลำบากหนอนะทบทวนดูว่าเคยไมยเขาทำบาปแล้วดีใจกับเขาอ่ะนะมันก็ถ้าปวดหัวบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไปยินดีในสิ่งที่ไม่ควรขนาดเขาทำแล้วเราดีใจด้วยยังมีโทษขนาดนี้นะจะ ก, กล่าวไปยายถึงลงไม้ลงมือเอง ในส่วนการครบบันดิตและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งนิพพานและสุขตนะิโดยในที่กล่าวไว้ในการพนานาความเพิ่มพูนแห่งผลของการครบบันดิตและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วคือการครบบันดิตเนี่ยนะถ้าอย่างสาวกทั่วๆไปที่คบพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นดับขันตรินิพพานเลใช่ ผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นต้นของพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นของเราทั้งหลายนับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เดินทางมานะก็ได้23าใช่ไหได้มงคลอะไรบ้างก็ขอไปได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือการไหว้พระเจดีย์เป็นต้นแล้วก็ยังได้ปฏิบัติบูบบชานะเพราะว่าการสมาทานอุโบสถ การฟังทมการถึงสารณะพวกนี้ก็เป็นการปฏิบัติบูบชาเพรา ะ, ะนั้นเราก็ได้ทำกุศลทั้งอาิสบูชาและปฏิบัติบูบชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกนนะอันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญของเราทั้งหลายนะสำหรับภาคบ่ายนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน